พระบัญญัติก็ภิกษุณีใดโดยสารยานไปต้องอบัติปาจิตตีสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญัติไว้แก่ภิกษุณีทั้งหลายอย่างนี้เรื่องภิกษุณีชัพกกีจบ